ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เมื่อวานเป็นประวัติศาสตร์เป็นวันเป็นวันวันประวัติศาสตร์ของวัดเราคงจำไปได้นานทีเดียวฝนตกหนักน้ำท่วมวัดตกตั้งแต่ตั้งแต่หลวงพ่อตื่นมาเนาะหกทุ่มดูนาฬิกาลงมันลงแรงแนละ้ว แต่ว่าถามหลายคนว่าฝนตกตั้งแต่สีทุ่มกว่าเร่งห้าทุ่มแต่งพ่อพักประมาณสี่ทุ่มกว่านะพอมันเสียงฟ้าร้องดังสนั่นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาเอาไฟส่องดูนาฬิกาหกทุ่มโอ้ฝนตกแรงเนี่ยป่ะจากนั้นก็ตกจกจ ก, จกจากจนถึง ตีสามตีสี่โอ้น้ําจะไม่ท่วมเลยเนะี่ยวพอออกจากห้องมาที่ไหนได้พระโผล่ขึ้นไปบอก ว, วา่าน้ํากําลังมาขนาดหนักเลยหลวงพ่อเขารายงานจากหมู่บ้านข้างบนน้ําท่วมมาระเนระนาดแล้วว่างั้นน้ำแรงมากอันตรายมากเลยหลวงพ่อเนีอยหลวงพ่อก็รีบลงมาลงมา บอกพระให้เก็บของที่มีคุณค่าขึ้นไว้ในที่สูงเลยเมื่อวานเลยไม่ได้บินเท่าบาทอาพอดูๆล้วขนาดจัดของก็ยังไม่เสร็จเพราะน้ำป่ามันไหลหลาบน้ำท่วมจนแปดเก้าแปดเจ็ดแปดโมงจึงเสร็จได้เมื่อวานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น แต่หลวงพ่อจำไม่ผิดสมัยเมื่อองค์หลวงตายังสงฆาตขันอยู่ขาวนั้นนำฝนน้ำป่าเหมือนกันมากำแพงพังไปสองร้อยกว่าเมตรแล้วก็เขื่อนขาดเขื่อนที่วัดของเราพังจากนั้นหลวงตาต้องามา มาท่านบอกว่าเป็นไงกําแพงเสียหายโอเสียหายมากครับผมนั่นสิวัดป่าบ้านตาดคือคืนน่้น้ําท่วมน้ําดันทางประตูทางออกประมาณหนึ่งเมตรเปิดประตูไม่ได้เลยและกุฏิทางกุฏิท่านสุดใจกําแพงพังทวันเดียวกับของเราที่วัดป่าบ้านตาดกับวัดนาคำน้อยปีนั้นน่ะ จากนั้นก็ท่านก็กลับมาอีกท่านก็ถามว่าเป็นไง เ, เสียหายอะไรมากไหมบอกว่าเสียหายมากกรับผมกำแพงเสียหายมากแต่ว่ากำแพงเนี่ยพร้อมที่จะซ่อมได้แต่ว่าเรื่องเขื่อนเนี่ยคงไม่มีปัญญาซ่อมกรัผมพอเอา ช่างมาประเมินแล้วเขากะประมาณสิบห้าล้านนะท่านก็บอกเออเอาซ่อมเลยนะหลวงตาท่านให้ซ่อมเลยนะข่าวนั้นอนะ่ะก็เลยเราก็เลยได้ซ่อมเลยทํานี่ย น, นะทำเขื่อนแต่เอาจริงจรพอให้อิตาเลียนมาทําข่าวนั้นก็หมดไปประมาณสักสมล้านกว่าอันนี้คือ เท้าความหลังให้พวกเราได้ฟังว่าเราเคยมาเจอมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ขาวนี้รู้สึกว่นหนักกว่าน้ำมากกว่าขราวก่อนนะลูกหลานนะคณัสตาญาติโยมนะเพราะขาวก่อนมันสะพานที่เราเดินข้ามไปเนี่ยมันประมาณากเกือบครึ่บหนึ่งนะมันมันยังไม่ยังไม่ถึงท้องสะพานนะแต่คาวนี้นะ่ะแต่ขาวนี้มันมันร้นหัวสะพานมาเลย แต่เด็วนันถามเขานี่มากกว่าเขาข่าวก่อนนะอ่ามากกว่าครั้งก่อนที่ที่ถามของเรานะแต่วันนี้ก็เมื่อฉันจะหารเสร็จแล้วก็ให้พวกพระช่วยกันไปดูนะเพราะรถเสียเส้นอยู่อยู่ในเกาะออกมาไม่ได้อยู่ที่ตาหนักเพราะทางถนนที่ไปตำหนักขาดประมาณสัก หลวงพ่อประมาณประมาณดูเกือบ20เมตรเนี่ยตัวนี้ละหนักเอ่อสะพานถน น, ถนนขาดลึกอีกต่างหากอ่ถ้าเราจะทาจะถมดินก็คงคงจะไม่ใช่ละต่อไปภายภาคหน้าคงจะเป็นสะพานแต่เป็นสะพานก็คงจะกินเงินพอสมควรสะพานตัวนี้แล้วก็กำแพงอกีกกำแพงก็พังไหล พังหลายช่องนะข่าวนี่แต่ก็คงจะไม่ไม่ถึงครั้งก่อดคราวนี้ดูๆแล้วก็เป็นหลายสิเมตรเหมือนกันนะแตนะ่วันนี้เราจะไปลองวัดดูวัดดูว่าค่าเสียหายทั้งหมดคงจะประเมินออกมาเราจะได้รู้ว่าจะเตรียม <c oughs> กระเป๋าไว้เท่าไหร่นะ น, นี้คือวัดวารสถานามเป็นอย่างนี้ลูกลานนะ มันเสียหายก็ต้องได้ซ่อมแต่ซ่อมของเก่านะมันมันเสียเงินมากกว่ามากกว่าทำใหม่นะถ้าทำเราทำใหม่ๆยังไม่มีอะไรเลยเราทำไปแล้วก็ขุดหลุมฝังแต่นี่มันต้องได้ทุบออกต้องได้ขุดออกต้องได้ทับทบ ป, ปูนเจเมนออกกว่าจะทำได้แล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่ออีกต่างหาก คนน้ำมันขุดนะีก็ต้องได้ใช้จะตุปัจจัยพอสมควรนะงานเนี่ยแต่ถึยังไงทํำยังไงได้ละ่ะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้หนักใจนั้นะลูกหลานะพูดให้ฟังทําไม่จึงไม่หนักเป็นหนักทำไมหนั ก, ห น, กหนักใจกับด้านวัตถุนะเราไม่เคยหนักใจกับด้านวัตถุไม่เท่าไรก็ท่า น, นะนะั้นแหละซ่อมไดก็ซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ก็เท้งไว้นะนะั่นแหะมันไม่มาถามกินข้าวของเรา หลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะถ้าเราซ่อมไม่ได้ก็บเทงไว้นั่นนะมันไม่มาถามกินข้าวกับเล่าหรอกมันเมื่อไรเมื่อไรซ่อมเสร็จแล้วถึงค่อยซ่อมมันแต่พอจะทำอันไหนได้ก็ทำไปเราก็เลยไม่หนักใจกับด้านวัตถุมีอะไรก็เท่าที่ทาเท่าที่จะทาได้นี่แต่ตาไม่จริงที่ ผ, ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาแล้วพอเป็นพอไป เราอยู่อย่างพระนะถ้ามันขัดข้องมาแล้วก็แก้ไขซะถ้ามันเกินความสามารถกระทิ้งใ้กอนนะทางด้านวัตถุแต่ด้านจิตใจนั้นอนะ่ะต้องภาวนาตัวนั้นต้องภาวนาอ น, น, นอย่าลดละเรื่องทางด้านจิตใจอันนั้นเป็นเรื่องหัวใจของการเป็นนักพรตนักบวชแต่ด้านวัตถุทางนอกนะพอเป็นพอไป ไม่เดือดร้อนไม่ลาบากมากก็ทิ้งไว้ก่อนปัจจัย4ี่เป็นเครื่องปัจจัยอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวชั่วการเวลาเราจะไปเสียใจทำไมทางด้านวัตถุขนาดร่างกายของเราเร า, าจะทิ้งจากวันหนึ่งไม่ต้องพูดถึงทางด้านวัตถุวัดมาศาสนาวัตถุภายนอกขนาดร่างกายของเราเรายัางเอาไปด้วยไม่ได้ เพราะนั้นเราจะไป เ, ออเน้นทั้งด้านวัตถุจนเกินไปก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันอันนี้ให้พวกลูกหลานคณะปฏจจารญาติโ ย, ยมพระลูกหลานก็ฟังฟังนะหลวงพ่อดูๆแล้วเท่าที่จะทำได้แต่หลวงพ่อจะพยายามดูแต่ก็ทำให้ดีที่สุดนะนะให้ได้รับความสะดวกสบายตามสมหมาสมควรอี พระที่มาอยู่ในวัดถ้าว่าไม่ทําเรยๆกันนะ่ตกหลุมตกบอ่อกงไม่ดีอีกเหมือนกันนะนะั่นแะแต่ขราวนี้เสียหายมากเสียหายพอสมควรพูดไ ง, ไง่ายๆไปถึงกับมากเนะพราะว่าน้ำอุทธกภยัภยไปเกิดจากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมมันไม่เสียหายแต่เราทั้งอำเภอ ก็น่าสงสารนพวกชาวบ้านเขนะชาวบ้านเก็บเกี่ยวข้าวกำลังจะได้ข้าวนะข้าวก็เหลืองเต็มทุ่งแล้วก็มาเก็บเกี่ยวพอเกี่ยวแล้วก็วางไว้ตามตากแดดไว้ในท้องนาตามปกตินะจากนั้นเขาเีวันสองตาวันเขาก็มามัดแล้วก็ขนใส่รวมกันไว้แล้วก็ น, นวดเป็นเม็ดข้าวเก็บเข้ามาใส่ยุง้งใส่้สางนะ อันนั้นคือเป็นประเพณีของเขาอันนี้กำลังเก็บเกี่ยวนะเก็บเกี่ยวพร้อมพอมกันมกัเนี่ยพอมันหน้าดาปักดาก็พร้อมกั น, นมันข้าวมันก็เหลืองพร้อมกันอีกต่างหากเลยพอเมื่อวานน่มันมาลวดหมดเลย เ, ยเออรู้สึกว่ามัดข้าวของเขามาอยู่ในต้นไม้ของเราป่าของเราเนี่ยมันค้างตามเฮืตาำป่าเต็ไมไปหมดเลย ไม่รข้าวหายตะข้าวหาเห็นแล้วโอ้น่าสงสารสงสารชาวนาจริงๆกว่าจะทํานาได้กว่าจะได้กินข้าวก็คังโค้งสุดท้ายคนน้ํามาท่วมซะน้ําหลากหลหลากเออมัดข้าวของเขาเลยหายไปหมดเลยนี่แหละทุกของชาวนาถ้าจะว่าไปเราทุกเราก็ทุกส่วนหนึ่งแต่ชาวนานี่ เขาทำนามาทั้งปีผลจะได้เก็บเกี่ยวมาเสียหายอีกน่าสงสารมากๆในอำเภอน้ำโสมนายุงในช่วงนี้นะในครั้งนี้นะใครๆก็ไม่คาดไม่คิดตามปกติเดือนตุลาออกพรรษานี่คือหมดแล้วเขตฤดูเขตฤดูฝนไม่มีแล้วฝนแต่นี่มันฝนฝนมันหลงเหลือมาอย่างไงก็ไม่ทราบเป็นเดือนพฤศจิกาฝน ออกคนสามาตั rov, ้งเกือบเดือนน่ะฝนก็เลยลงขนาหนักเลยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่ทำยังไงได้เราอยู่ใต้ฟ้าใต้ฟ้าสุดแท้ธรรมชาติมันจะให้ยังไงเราก็น้อมรับยอมรับอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยเมื่อวานเห็นได้ชัดเลย แต่ทียังไงก็ขอให้พวกเราลูกหลานพระเนรทุกองหน้าอยู่ในความสงบน้ำมันไปมันก็ไปไปแล้วพวกเราคนนั้นตั้งอกตั้งใจภาวนาป ร, ประพฤติปฏิบัติรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์จิตตภาวนาในสำคจำเป็นสำคัญถึงอะไรจะขาดตกหลาขาดเหลือขาดตกปกพ่องขนาดไหนก็ตามเรื่องการภาวนาอย่าให้ขาดตกปกพร่อง การภาวนาเป็นหัวใจของพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเพราะหลักของ พ, พุทธศาสนานะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะที่โกลนต้นโพนะท่านทําอะไรท่านภาวนาท่านวัดเครื่องท่านภาวนานั่งภาวนา เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบจากนั้นได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนอันนั้นท่นานจะในประกาศพระพุทธศาสนาออกมานจากนั้นพวกเราศึกษาอะไร ศึกษาหาลาภหายศหาสรรเสริญอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่เพราะพรมมครูเนี่ยตนศาสดาตนพระพุทธศาสนานี่ท่านภาวนาเพราะนั้นถ้าเราอยากจะเดินตามครูเราก็ต้องภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินในวันเดือนหกเพนนินั่ท่านนั่งสมาธิพวกเราก็พยายามนั่งให้นานนั่งจนทา้รโองนั่งจน ตอนหัวค่าจนถึงสว่างวันเดือนหกเพนในคืนวันนั้นแต่วันอื่นๆท่านไม่ได้บอกในพระไตรปิฎกท่านไม่ได้ตรัสเอาไว้นะแต่ท่านตรัสเอาไว้วันเดือนวันคืนเดือน6เพนตอนหัวค่ำนั่งภาวนาได้ได้ยาณทัศนะได้ฌานปุูเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูปะ ป, ะ ป, ะ ป, ะปะตาตยาน ดูการเกิดการตายการจุติของสรรพสัตต์ทั้งหลายจุติก็คือเกิดการเกิดการตายพอจวนสว่างพระองค์ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้ตัดกิเลสภายในพระฐายของพระองค์จิตใจของพระองค์บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส กิเลสที่จะพาให้พระ อ, องค์เวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารพระ อ, องค์กำจัดออกด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาจากนั้นพระ อ, องค์จพระไทยใหของพระ อ, องค์หมดจดจากกิเลสท่านประกาศเลยว่าชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราเราไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะทำให้เรามาเกิดอีกคือกิเลสราคะโทสะโมหะบัดนี้เราได้กำจัดกิเลส ในใจของเราออกหมดแล้วที่จะทำให้เราเมาเวียนวายตายเกิดเชื้อที่จะทำให้มาเวียนวายตายเกิดเรากำจัดออกจากพระไทยของเราแล้วท่านประกาศในบทเตือนหกเพ่นนั้นแสดงว่าพระองค์นั่งตลอดทั้งคืนตั้งแต่หัวค่มจนยันสว่างจึงได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตระนี่แหละอันนี้ก็คือบรมครูของพวกเราตัวอย่าง พระพุทธเจ้าท่านหวังอะไรท่านต้องการอะไรต้องการความพ้นทุกข์ท่านทำยังไงจึงท่านจึงพ้นทุกข์ก็อย่างที่วานนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างที่วานจิตใจเป็นสมาธิแล้วเกิดยานเกิดญานเกิดยานทัตนะเกิดฌา น, เ, น เ, เป็นลำดับลาดับมาเพราะฉะนั้นพวกเรา พาลูกพาหลานกนัทธายาติโยมถ้าจะเดินตามแนวแถวของพุท ธ, ธะต้องทำอย่างนั้นนะแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันท่านก็ไม่ได้ให้เน้นหนักเรื่องอะไรมีแต่เรื่องกิตภาวนาเป็นสำคัญถ้าเราได้ศึกษาในธรรมะทำคำสอนขององค์หลวงตาหลวงตาพูดยังไงทันเทศยังไงในธรรมเทศนาของท่านนะเราก็พอ ฟังได้ท่านเน้นหนักเรื่องจิตภาวนาเป็นสําคัญพระนกรอให้พวกเราทุกๆท่านนะบวชมาทั้งทออีอย่าไปมุ่งหวังอย่างอื่นหวังอย่างอื่นก็เท่านั้นละมุ่งหวังให้หวังเรื่องภาวนานะตังอกตั้งใจภาวนาตังอกตังใจประพฤติธปฏิบัติรักษาศีลให้บริสุทธิ์ในศีลสอง้อี่สิบให้บริสุทธิ์ แล้วก็สมาธิพยายามทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้นิ่งจากนั้นก็เดินทางวิปัสสนาการกลองไตรตองด้วยเหตุและผลนะต่อนนี้ไปรับพอในสท่านีนะั